จงตั้งใจฟังธรรมเทศนาซึ่งจะอธิบายในวันนี้อธิบายถึงการปฏิบัติเพราะพวกเรามีทุกผู้ปฏิบัติด้วยกันทั้งนั้นการคนกัะมุ่งมาปฏิบัติการปฏิบัติเรียกว่าเป็นขนทางแห่งความเฉลเ่็เมื่อผลไม่ผ่าน การปฏิบัติจะต้องตั้งต้นเสียก่อนต้นเติมที่เราจะต้องปฏิบัติก็ไม่มีอะไรหรอกคือตัวของเรานี่แหละกลายวาจาใจนี่แหละที่จะปฏิบัติแล้วก็ปฏิบัติอะไรเมื่อได้ต้นมาแล้วได้ตัวต้นมาแล้วจะปฏิบัติยังไง ต้องเอาใจนั่นแหละมาพิจารณาตัวกายให้มันอยู่ที่กายนี้ไม่ให้มันออกจากกายนี้เรียกว่าต้นต้นของกายปฏิบัติเราคำใช้คำภาวนาเรียกว่าพุโทโธพุโทโธหรือว่าอานาปาทติก็ได้ให้ใจอยู่กับคำ น, นั้นะ คำปัจเจอาณาปาสติเรียกลมหายใจเข้าออกลมหายใจนี่เป็นที่ตั้งของคำภาวนาเป็นคิดตั้งของอุปายภาวนาคือลมหายใจนั้นถ้าหากมีลมหายใจอยู่จิตมันก็อยู่กราะแ น, นั้นแหละ ถ้ามันมีลมหายใจมันก็ไม่มีจิตจิตมันมีตนมีตัวม้าใสคนอื่นอยวจังคัปรากฏถ้ามันมีตัวนี้เสร็จแล้วจิตมันก็หนีไปคือตายจะชับเจ้าฟันด้วยประการต่างๆไม่รู้สึกทงนั้นเรียกว่าจิตหนีไปแล้วในร่างกายนะขวงมด อาใช้ลมแห่งเดียวถ้าไม่มีลมแล้วก็ดับสูตรจิตก็อยู่กับลมมันเนะ่จะต้องใช้คำปริกรรมว่านาปาสติอนาปาสติคือลมหายใจเขานี่เป็นเบื้องต้น้องการปฏิบัติจับตรงนี้ให้ได้ซะก่อนถ้าจับนี่ไม่ถูกเราจะทำยังไงมันก่อ ไม่ได้ดีดีได้เราทำอะไรต้องจับให้มันถูกเสีย ก, ก่อนอย่างจะทำเลือกทำสวนไล่นาตาโทระอะไรต่างๆทุกอย่างต้องจับให้มันถูกคือจับที่ดินตั้งต้นเราจะทำตรงนี้แหละนันเรียกว่าจับที่ดินจะปลูกฝังในที่นี้แหละ เราต้องขุดต้องคดลงไปในที่นั้นเราต้องหาพืชผลมาลงในที่นั้นต้องจัดต้นให้ได้เสีก่อนบอกว่จะทำกิจกรรมเลือกสวนไรนาได้ก็ตามเถอะแต่นั้นไม่รู้จักว่าจะไปทำที่ไหนไม่รูจ้จาไปทาที่ไหนก็ไม่ทราบทำยันไงก็ไม่รู้เรื่อง ฉั้นใดเราทำหัดสมาธิภาวนาต้องจับต้นตรงนี้เะก่อนคือจับที่กายนี่แหละไม่ได้จับอื่นไกล อ, อะไรหรอกง่ายนิดเดียวมันอยู่ที่ตัวของเราไม่ได้ไปหาจ้ง 5, างหาบานใครมาช่วยทาทำตัวของเราเนี่ยตัวเราก็มีอยู่แล้ว พอได้เอาคำพ่อหน้ํามาใส่เถอะเอาน้ปลาสตีนมาใส่ตนั้นลมหายใจใเข้าออกหายใจใเข้าพุโทโธหายใจออกโธหายใจใเข้าพุทธายะโธหายใจออกโธเท่านั้นเอาใจมาไว้ตรงนั้นเนี่ยให้เป็นคล้องมีตนมีตัวท้าหาวันนี้เครื่องยึดมันก็ไม่อยู่ เอาพุโทโธเอาอนาปาะสติมายึดไว้ตรงนั้น่ะให้อยู่ตรงนั้นพุทโทหายใจเขา้เาให้ออกพุโทโธพุธโทโธนั่นถ้ามันหนีจากนั้นเราก็รู้ถ้ามันอยู่ตรงนั้นเราก็เข้าใจว่ามันอยู่ตรงนั้นมันมีตัวนี้ตัวนั้นรู้สึกความรู้สึกอันนั้นเป็นตัวใจ เอาไว้ไหนก็ได้เอาไว้ปลายจมูกก็ได้เอาไว้ที่สะดือก็ได้เอาไว้ที่ปลายเท้าก็ได้เอาไว้ที่ปลายผมก็ได้แม้แต่เอาไว้ต้นไม้ทั้นก็ได้เหมือนกันมันอยู่ตนน้นไม้ยก็อยู่เหมือนกันความรู้สึกในที่ใดนั่นแหละคือตัวใจ ต้องจับตัวนี้ให้มั่นคงแล้วจึงจะทำสมาธิภานาให้ได้จึงจะทำะมสมาธิภาวนาลงอันนี้เรียกว่าต้นตอของภาวนาเราทำมาได้ก็ตามเถอะเราจะเรียนหนังสือก็เาต้องเรียนตัวมันซสก่อนยังเคยเรียนพยายนชนะ ตัวมัน32ตัวพญา น, นาคแปมีตัวกอขอขอเป็นต้นสระมี8ตัวอารีอูเอโอนะเป็นต้นข้านี่สระกับพญา น, นาเข้ากันใหมครับผสมกันยังค่อยอ่านออก ฉัอ่านเท่านั้นอ่านไปถือฉันอ่านพระยถาสองอันเทานะ่านั้นเข้าบทสมกันแล้วอ่านได้หมดทุกสิ่งทุกอย่างตัวกอเป็นของสำคัญมากไก่ก็ใช้กอกินก็ใช้กอกำก็ใช้กอกายใต้อะไรใต้กอทั้งนั้น จะได้ประสมมาแล้วใช้ได้หมดจิตของเราก็เหมือนกันถ้าเราใช้กายกับใจแประผสมกันได้ร้อยแปดพันประการใจตัวนี้เข้าะสมกายใจเห็นกายอันนี้เป็นของแตกต่างหลายอย่างหลายเรื่อง กายนี่ผสมเมั่เข้าแล้วจะเป็นเวทนาเกิดขึ้ น, นที่กายจะเป็นสัญญาความจดจําก็เกิดที่กายกับใจคือตาเห็นนะมันก็จําลูกคณะมันแตดมันแปดจะผ่าไปตาเห็นเนี่ยก่อนมันก็จําค้าไม่เห็นมันก็ไม่จำํำงูได้ยินเสียงหมูกถูกก่นเลี่ยนถูกรถอะไรต่าง มันจำเรียกว่าสัญญาจริงที่พอใจไม่พอใจเรื่องที่ทจำมันนั้นมันเป็นโทรมนัดเรียกว่าไม่พอใจเรียกว่าทุกขเวทนาพวานดีพอใจในจริงนั่นเรียกว่าสุ ข, ขเวทนาเหมือนงา น, นกับตัวหนังสือเลยฮะผสมเข้ า, ะ า, าอะไรกับฝ้า่ได้ร้อยแต่ตระการมันนี่จริงว่า หนังสือตัวใหญ่หนังสือใหญ่เดียวตัวนี่ตัวตัวของเรานี่หนังสือใหญ่เดียวเรียนเพอะเรียนเท่าไหรก็ไม่จบแต่เราเรียนนี้ทุกวันนี้่ยังเรียนไม่ได้ตั้งอีกแต่เบื้องต้นก็ยังเรียนไม่ได้พิจารณากายให้เป็นอรรถภาปฏิกูลก็ยังไม่ได้เรียนอากาศเห็นทุกข์มันก็ไม่เห็น มันเพ ม, มันสนุกอยู่ที่ไหนไหมครับที่นากายเนี่ยเห็นเป็นของแตกของตายมันก็ไม่เิน น, นั่นเลยเรียกเรียนไม่ถึงเรียนไม่จบเรียนกายแม้ของไม่เที่ยงไม่ใช่ตนใช่ตัวมันงก็ไม่ถึงสักทีเรียกว่าะสมมันไม่ถูกตัว ผสมไม่ถูกตัวกันจักทีอย่างเขาว่าเี่ยงมะม่วงกลายตน้นเครื่องมะม่วงมากลายตน้นเวี่ยงมากลายต้นไปมะม่วงมันเป็นพุ่มเป็นต้นอยู่เนะี่ยลูกโดด ก, ก็โดกแต่ก็เวี่งคลอนใสไม่ถูกกลายตน้นมาแจ๊เลยไม่ได้กินอันนี้ฉันได้ อั้งแต่ล้วเกิดขึ้นมาก็ถือตนที่ตัวล้ำไปว่าตัวของเราตัวตนของเราทั้งนั้นมันแท้ที่จริงอ่ะตัวเราแท้มันตรงไหนอะไรเป็นตัวเราไล่ลองดูสิพยางามเราสวดทุกวันทุกวันนั้นเนอสารงมาหนกาตันตางๆท่าโจแดงต่างไล่เปมด การถาที่สองเสาผมใช่ไหมตัวของเรานั่นหรือตัวของเราโงมาขนนักขาเล็บนันตาปันตาเจ้าหน้ามังสังเนื้ออะไรต่างๆไปหมดไม่ใช่ตัวของเรามันเลยเป็นผมเป็นขนเป็นเล็บไปเสียยมันตัวของเราแทบไปอยู่ไหนไหมส่สัก เรียนเนี่ยเรียนจะแน่แยกตัวหนังสือตัวตัวหนังสือใหญ่เ่าเนี้เรียนไม่จบไม่สิ้นสักทีถ้ให้แล้วก็ยังไม่จบยังมาเกิดใหม่อีกท่เรียนจบแล้วเราเกิดแล้วยังมาเกิดใหม่เรียกว่าเรียนไม่จบผู้ที่ท่านเรียนจบแล้วนั้น ท่านเห็นชาติเห็นจริงไม่มีสิ่งสงสัยในเรื่องเหล่านี้ท่านปล่อยวางไปได้ถ้าหากปล่อยวางไม่ได้ตราสใดยังไม่จบตรัสร น, นั่นจะเป็นบอ่อเกิดเป็นเหตุให้เกิดภบเกิดชาติคือ ค, อาคอวามไม่เรียนกาคือเรียนไม่จบนี่ตัวของเราที่ยังเรียกกว่าเรา หล่อเลี้ยงทุกวันตัวมันจะนี้วชันห้อยตัวมันจะลำบากกลา้ากรรมเพราะมันทนทุกข์ทรมานบำลุงบมเลอเลี้ยงดูสัดปัดทุกอย่างแล้วในผลที่สุดเนี่ยมันไม่ใช่ของเราเราเลี้ยงความตายเลี้ยงความตายเฉยๆเนี ตัวตายตัวนี้วันที่ตัวจะลงหายใจเขาออกคือวันที่สุดวันที่สุดคือลงหายใจเขาออกหมดเลยนอนทิ้งอยู่กับดินมีกระลังนี่แล้วทังว่ากระดิ่พลิงเหมือนกระท่อนไม้ท่อนฟืนนอนอยู่กับดินนั่นแหละจริงนะฟังมดที่เราหามาทุก สิ no ่งทุกอย่างความลงงมเลอตั้งแต่หาว่ามลงงมเลอตัวนี่แหละโดยเฉพาะก็คืออาหารการกินทุกวีทุกวันผ้าผ่อนเครงหนุ่งของผมเสนาธนาที่นุ่งที่นอนที่นั่งที่นอนเภสัดคือยาแก้โรคแก้ภัยทั้งสี่อย่างนี้เว้นไม่ได้สักคนเดียว แต่ว่าอาหารไม่ใช่เพียงเติดใส่ใส่ปากใส่ท้องเท่านั้นนอกนั้นหรือแหไไว้ในบ้านในเรือนจนไม่มีที่เก็บนำมาสาสมไว้ถึงมีเงินมีทองเท่าไหร่ก็ตั้งหมื่นตั้งตงล้านตั้งโกดกเอาถก็บำรุงอาหารนั่นแหละ ไปใจทั้งไอ้าตทั้งสี่เนี่ยแต่อันนั้นมันรักษาง่ายหน่อยฟังธนาคารสมุดเรื่องครับสมุดสักใบหนึ่งสมุดสักเล่มหนึ่งเอาไว้กระเป๋าเรื่อยไปแล้วกันมันง่าหน่อยในคนที่ชุดกันเดียวกันเนี่ยไปใจชาติทั้งสี่กันผ้าคล้องท่างนูง่นสะะารพัดทุกอย่าง ไม่เศร้ากี่สุดกี่สุดอะใส่แล้วสองหงสสามหงแล้วก็ทิ้งตอนใหม่สุดใหม่บ้านเรือ น, นที่อยู่ที่อาศัยก่องงายโต๊ะหัวถามแต่ที่อยู่แทนนิดเดียวก็นอนมดหงส์ตีนที่อยู่แท น, นมันทำไว ม, มากมาย ยกยาเล้งต่างหามาสะสมจป็นเป็นตู้เป็นตู้อะที่นี้คนที่สุดกือฉันเฉพาะวันหนึ่งวันหนึ่งที่เรามีการเจ็บป่วยจะไปชันของซาตตมานีของไปเถินเทินเถิดอยู่นะเป็นของใครแล้วตอนนี้เราเข้าใจว่าของเราให้คนที่สุด เมื่อระดับทุกนะหายหมดของมันไม่ทราบเป็นของใครก็ไม่ทราบถึงเป็นของคนอื่นต่อไปเหมือนแค่เรนะเป๋าคนนั้นตายแล้วก็หายหมดเหมือนกันเป็นแต่เสียงอาศัยเฉยๆนี่หรอไม่ใช่ของจริงของจังอะไรแล้า เ, เรียกว่าปัจจัยเป็นเครื่องอาศัยอย้วไปถือเป็นจริงไปจังเลย ถ้าถือเป็นจริงเป็นจังแนละ้วเข้าใจของตนจริงๆแล้วติดแง่ถือเพียงแค่นั้นทําะไรไม่ได้จะทําการทํางานเล็รๆก็ติดแต่เพียงแค่นั้นจะทํำสมาธิก็ไน้แต่ติดแตเพียงแค่นั้นไม่รุ่ร่วงไปไหถ้าหากเราเข้าใจเป็นจริงอย่างนี้แล้ว เรารู้เรื่องว่าอ๋อไม่ใช่ของเราหรอกร่างกายก็ไม่ใช่ของเราของภายนอกที่ว่ามันก็ไม่ใช่ของเราเป็ น, นเครื่องอาศัยที่เฉยๆมันก็หมดกังวดไม่มีกังวลเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าจึงก็อาศัยเหมือนกันชาวโลกทั้งหลาย อ, อาศัยเหมือนกัน ท่นน่าท่านเป็นดีสมัยก่อนๆแต่มีเงินมีทองมากมายนาวิสาทั้งมีมากมา ย, าาายก็ใสเหมือนกันแต่ทําไมท่านยังสาระปล่อยวางได้ก็เพราะเห็นอย่างนี้หเห็นตามจริงอย่างนี้มันจริงทั้งหลายแล้วน่าไม่แย่ของเราทั้งหมดนี่แหละเรียนกรรมฐานหัดกรรมฐานหัดเบื้องต้นอย่างนี้แหละ คือฮัดที่กายของเราเอากายให้เป็นที่ตั้งที่หนากายนี่แหละใจเป็นคนเป็นคนเป็นผู้ตั้งทั้งมาที่ลมให้ใจเขาออกถ้าไม่มีกายก็ไม่มีลมให้ใจมีกายก็มีลมให้ใจเขาออกให้เห็นใจของเรา ใจคือผู้ที่ตั้งใ้ผู้ที่ตั้งอยู่ในหนักนะใจตั้งในกายนะ น, นั่นเรียกว่าใจใจคือตัวกลางตัวของกลางนั่นที่มันไม่ดีไม่ชั่วไม่มีอย่ามีละเอียดตัว ก, กลางกลางตัวนั่นฮนะจิตคือผู้คิดผู้นึกนผู้สงสยัย สัญญาอารมณ์ที่เราวิา่งว่อนในเดือนนี้กับราะจิตนั่นแหละทรงสายไปกับพ้ะจิตนั่นแหละสุขทุกเวทนาสัญญาและขารยังจิตทั้งนั้นเป็นคนไปไปอยู่ในอาการสาบอาการขันหานถ้าหางก็ใจแพ้แล้วเฉยเลยไม่มี ไม่มีคิดมีนึกมีมีส่มงมีสายจับตัวใจน่ะให้ได้จับตัวใจได้ก็บสบายลองคิดดูมันจะสบายไหยที่มันวิ่งว่อนคิดนึกส่งสายโทมนัดขัดแค้นน้อยอกน้อยใจคือมันคิดนะนี่มันส่งมันสายมันไปยึดไปปุงไปแต่งนั่นนะั่นคราวนี้ทําเข้ามาให้ใจครับนี้ วางกลางเฉยมันก็ไม่มีจริงมันจะสุขไหมล่ะลองทำลองดูสิบอกว่าจะทุกข์ทุกข์อยากจะได้สุขแต่ไม่ทำสุขสักทีทำมันสุขขึ้นมาสิยังได้คิดว่าเรารักตนเราไม่รักตนก็ไป เราไว่าในทุกเหมือนมดโผล่หน้าต้น้อยใจเรื่องต่างเข้าใจว่าเป็นทุกขเข้าใจว่าเป็นสุขเข้าจะเป็นของดีเลยไปอยู่กับ น, นู้นอ่ะมันความว่างเฉยนะไม่คิดไม่เนึนประตมาแต่งความวางบางกลางนั้นไม่ไม่มีอดีตอนาคตเลยเอาไม่เอาเอะนะถ้าหากรู้ตัวนั้นแหละเป็นตัวใจนะ ว่างเฉยนะ่ะมันก็สบายตนอะนี้มีแต่อธิบายทังเรื่องต้นต่อของทำ อ, อธิภาวานาต้องเอาตรงนี้หัดตรงนี้ให้ได้จาตรงนี้ให้ถูกจําตรงนี้ให้ได้หัดตรงนี้ให้ถูกนั่งภาวานาฟังเทศแล้วนั่งภาวานา เราเรียกว่าเทศแรีกนี่นั่งพอนาเรียกว่าทำเรียกว่าฟังธรรมนั่นเป็นฟังเทศทำให้มันถูกต้องตามที่อธิบายฟังนั่นเรียกว่าทำทำตามนั่นเองได้มากได้น้อยเท่าไหร่ก็ทำพระพุทธเจ้าท่านสอนให้ทำ ถ้าไม่สอนให้ฟังเฉยเฉยแบบได้อะไ ร, ะไร น, นิดหน่อยก็ตามเถอะขอให้ทำให้ได้จริงจริงกงจั ง, จ ง, จงเป็นธรรมาถูกต้องตามคำสอนของพระเจ้าฟังแล้วไม่ทำทอดทิ้งเสียหรือนานๆเนีย่ยใคยทำลืมการหัดสมาธิอการฟังเทศละหัดสมาธิพอนานทำตามมันจะไม่ลืมไม่หลง เอาไปจุบันนั่นะร่อนนันะไม่หลงไม่ลืมดีให้ตั้งสติกำหนดจิตเอาพุโทโธนะัเป็นอารมณ์เอาอนาปายสติเป็นอารมณ์ให้จ้าเข้าพุทธายจออกโธนะอธิบายให้ฟังมาแล้วนะอันนี้เรียกว่าทำตามทำตามคำสอนที่อธิบายให้ฟัง เรียกว่าทำฟังทำจนกระทั่งจิตแนวแน่ลงเป็นอันหนึ่งอันเดียวเรียกว่าสมาธิจิตแนวแน่อันเดียวนั้นเรียกว่าสมาธิสมาธินี้นั่นใช่กันส่วนมากของภายนอกจะใช้สมาธิถ้าใช้สมาธิเดอรได้ประโยชน์มาก ย่งการทํางานต่างๆจิดแนวแน่ในอารมณ์เดียวทําสิง่งเดียวไม่ได้ออกแหวกไปที่ไหนย่อมสําเร็จงานนั้นๆถ้าหามาแนวแน่แน่แนเดียวส่งโน้นทรนี้จับจุดนี้นนยอะไรต่างได้ผลน้อยหรืออาจจะพลาดพังไม่ได้ทําจะอหัดสมาธิในหัด ให้จิตแนวแนีแน่แนวลงมันเดียวจะเอาอะไรก็เอาอย่างว่าอนาปาริติเขาเดียวเท่านั้นแหะไม่เอาอื่นใครใคเจะว่าอะไรตัวดีแสนดีก็ไม่เอาเมื่อจิตแน่วแน่แนวลงมันเดียวแล้วให้วางเสียถึง ไม่วางมันวางเองหรอกคันภาคจิตรวมแล้วจิตแันของนั้นเดียวเนี่ยถ้าพิจารณาลมหายใจเขาออกมันก็จเป็นมันก็จะอยู่แต่ลมหายใจนั่นเองอันที่มันแฝงวุ้วแฝงวุ้วแฝงนั่นมันอาการของจิตออกไปเฉยเนี่ยมันไม่ใช่์สายอันจิตไม่แชร์สายตัวตัวเดียวเท่านั้นเน่ยแต่มันมุ้วแฝงวุ้แฝงวุ้วนั่นมันอยากจะออกไปมันออกไปเที่ยว เราคงให้อยู่ในพุโทโธหรือในอนาปานสติมันไม่อยากอยู่คือมันเคยชินอยแล้วแต่นหนแต่ไรมาแล้วมันเคยฝึกหัดตั้งแต่หนุ่มจนแก่จนเฒ่าก็มาเคยฝึกหัดไม่ได้ทรงสายใปตาอาการสิร่งกวงวัดรอบโลก เข้าใจว่าตนมีปัญญาก่วงขวางเข้าใ จ, าใจาตนฉล า, าดเทียบยแหลมแท้ที่จริงมันไม่ใช่ปัญญามันฟุ้งศา่านความที่จิต ด, ดูแน่วแน่นี่สิความเห็นจิตแน่วแน่ความจิตตั้งมัน่นตัวนี้นี่ปัญญาแล้วมันลึกแหกมมันละเอียดนะปัญญา ใครจะทำได้อย่างนั้นทั้งร้อยทั้งพันก็ได้กได้กี่คนนั่นน้ะที่ปัญญาละเอียดลึกซึกให้เข้าถึงอันเดียวอารมณ์เดียวมันปล่อยวางแล้วมันปล่อยวางคำัติกรรมยาเสี้ยให้จับเอาผู้ที่รู้ดัง ผู้ที่คิ д, ดผู้ที่นึกันะผู้ที่ส่งผู้ที่คิดนึกว่ามันส่งมันสายอะ้รต่างๆผู้รู้อันหนึ่งไหมผู้รู้อันหนึ่งผู้คิดผู้นึกอันหนึ่งแต่เมื่อกระพร้อมกันนั่นแหละคิดนึกว่ามันมันส่งสายไปภายนอกอันขี้รู้จากว่าผู้คิดผู้นึกอันหน่ะผู้นั้นให้จับหูนะถ้าหากจับผู้นั้นถูก ต้องคิดนึงมันก็หายหมดเมื่อันยังเหลือแต่ผูร้รู้นั่นแหละเรียกว่าเป็นสมาธิแล้วนะเราจะไม่เกิดปัญญาวิชาและ่ ว, วก่วงขวนก็ตามเธอคอยรู้ว่าจิตคิดนึกเราก็แล้วกันทงสารเราก็แล้วกั น, ลกนโลกโมโลกโทษสันตุปการ์นั้นต่างพิเรธทั้งหลายทั้งวงหมด ให้รู้วัดกิเลสให้รู้ตัวกิเลสแล้วก็จับว่าตัวปรูนั่นได้ีด๋ยวก็คัดสมาธิภอวนาเป็นเด่ตอนนี้แหลตั้งใจทำภาวนาตั้งใจทำความสงบความสงบจากอารมณ์ทั้งปวงหมด ไม่มีอารมณ์อะไรห่วงใยในตัวลองคิดดูอ่ะมันจะเป็นไงใจนะ่ะความคิดสรงตายไม่มีอะไรละคือสังขารภายในเรียกว่าสังขารคือใจไม่คิดไปมาไม่คิดส่งไปบ้านไป่ชอบไม่คิดถึงลูกถึงหลานไม่คิดถึงกลางงานอะไรเลยลเวลานี้คิดแล้วเราก็ไม่เดชทำเรา อย่าไปคิดเลยเวลาจะคิดอย่างทมเทะนอกอานี้ยอย่าไปคิดเวลานี้ไม่คิดอะไรทั้งหมดเมื่อไม่คิดมันจะยังเหลืออะไรขันตัวใจมันยังเหลือใจอ่างเดียวเมันเหลือใจมันก็เป็นธรรมเลยทีนะึงธรรมที่ใจนั่นแหะของเป็นกลางของวางว่างนะั่นอันนั้นแหละตัว ตัวธรรมะเหตุนั้นเราเมื่อจะทำความสงบ ก, ก่อนที่จะทำความสงบถ้ายังจิตยังไม่สงบ ก, ก่ออบรมด้วยการปฏิกรรม